ข้าพเจ้าตามเสด็จไปทุกคนทุกแห่งเหมือนกันถูกดาเร่งแรงจิตใจของข้าพเจ้าก็ากระวนกระวายแต่พระตถาคตเจ้านั้นทรงมีพระอาการที่แช่มชื่นเสมอสีพระพักยังคงสงบนิ่งเช่นเดียวกับเวลาได้รับคําสรรเสริญจิตใจที่ไม่หวั่นไหวได้วยโลกธรรมคือนินทาและสรรเสริญนั้นเป็นจิตที่ประเสริญจริงพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้และพระองค์ก็ทรงทําให้ดูเป็นตัวอย่าง อาวุโสตราบใดที่บุคคลยังพอใจด้วยคำสรรเสริญเขาย่อมยังต้องหวั่นไหวเพราะถูกนินทาดีเป็นกฎที่แน่นอนพระสถาคเจ้าทรงทำพระมนต์ให้เป็นเช่นแผ่นดินหนักแน่นและไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะไปโปรยปลายดอกไม้ลงไปหรือว่าใครจะทิ้งเศษขยะปฏิกูลอย่างไรลงไปข้าพเจ้าเองนั้นสุดที่จะทนได้จึงตราบทูลพระองค์ว่า พระองค์ผู้เจริญอย่าอยู่ที่นี่เลยคนเขาด่ามากเหลือเกินจะไปไหนอ น, นุนพระศ า, าสดาตรัสมีแววเห็นความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและสีพระพักไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าค่าสาวัตถีราชเกลกืสาเกตหรือเมืองไหนๆก็ได้ที่ไม่ใช่โกสัมพีถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีกก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะ พ่อที่เมือง น, นั้นเขาด่าเราอีกไปต่อไปพระเจ้าข่าอย่าเลยอานน์เธอจะพอใจให้สถาคดทําอย่างนั้นเลยถ้าเราต้องทําอย่างที่เธอว่าเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่มนุษย์เราจะอยู่ที่ไหนไม่ให้มีคนรากคนชางนั้นเห็นจะไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นในที่ใดควรให้สงบระงับลงนัดที่นั่นเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปอานน์ เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตนั้นจะไม่ยืดยาวเกินเจ็ดวันเพื่อจะต้องระงับภายในเจ็ดวันเท่านั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอานอนท์เราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงครามต้องทนต่อลักศรที่มาจากทิศทั้งสี่เพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแสหาแต่โทษของผู้อื่นเธอจงดูเถิดพระราชาทั้งหลายย่อมทรงราชภานะ ตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมชนได้อนนนเออยในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคําร่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐม้า อ, าอัสดรม้าสินทพพญาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชานใยสัตว์อาชานใยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าคนที่ฝึกตนดีแล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อนอนอนลผู้ที่อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่เสมอการเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ถ้าผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่ด้อยกว่าตนเราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศเป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดมูลแห่งการทะเลาะวิวาเสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิน้น ในที่สุดทาสและกรรมกรที่พระนางมาคันธยาว่าจ้างมาด่าพระมหาสมณะก็เลิกราไปเองเพราะเขาทั้งหลายรู้สึกว่าเขากําลังด่าเสาศิลาแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวเลยความพยายามของพระนางมาคันธยาเป็นอันล้มเหลวอาวุโสพระาศาสดาเคยตรัสไว้ว่าภูเขาศิลาแท่งทึบล้วนไม่หวั่นไหวได้วลมที่มาจากทิศทั้งสี่ชั้นใดบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหว เพราะคําดินทาและสรรเสริญฉะนั้นในพระดํารัสของพระศาสดาในตอนต้นท่านคงจําได้ว่าพระองค์ตรัสถึงม้าอสเดรม้าสินทบและสัตว์อาชาในรวมทั้งพญาช้างตระกูลมหานาคข้าพระเจ้าขอไขความเรื่องนี้สักเล็กน้อยม้าอสเดร น, นั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่มา้าพ่อลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยม คือได้ลักษณะที่เร็วจากแม่และได้ลักษณะที่ทนทานจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกนามหนึ่งว่ามโนใหม่หมายความว่าสาเร็จดังใจส่วนลานั้นทนทานมากในการที่จะรับภ า, าระนาภาระหนักปีนขึ้นที่โคลงชันก็เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการนี้มารวมกันเข้าคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยม พันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีคุณลักษณะสองอย่างคือทั้งเร็วและทนทานผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อหน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยจะได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ว่าขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้าจึงทําให้เสียเวลามากเกินไปในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนว่าพระศาสดาจะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้ม้าสินทบนั้นเป็นพันธ์ม้าดีซึ่งเกิดในรุ่มแม่น้ำสินธุเป็นม้าพันดีมากแวรนกัมโพชะถินกำเนิดของท่านก็เป็นแพว้นที่มีชื่อเสียงมาก ในเรื่องมีม้าพันธ์ดีตามที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วในหุนหลังส่วนช้างตระกูลมหานาค ก, ก็เป็นช้างตระกูลดีกล่าวถึงสัตว์อาชานใยหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้ น, น, นโดยนายณีสัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาในาได้ถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะสมแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชานใยด้วยกันมนุษย์อาชานใยหรือคนอาชานใยประเสริฐที่สุด เพราะเหตุนี้พร ะ, ะธราคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคําว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนการยกน้าหนักต้องค่อยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วจิตก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ยิ่ง นางมาคันธยาเป็นมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนเพราะมะเหสีใหญ่คือพระนางสามาวดีพุทธสาวิกาเลื่อมใสในพระตรามกฏเจ้ามากเมื่อพระนางมาคันธยากลั่นแกล้งพระศาสดาไม่สมประสงค์ก็หันมาริษยาหาโทษใทนพระนางสามาวดีพระนางถูกกล่าวห า, หาหลายเรื่องจนกระทั่งพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อและจะประหารชีวิตพระนางสามาวดีแต่พระองค์ทรงทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง จึงสั่งประหารชีวิตพระนางมาคันธียาพร้อมทั้งบริวารและญาติด้วยวิธีที่ทารุณยิ่งคือพระองค์ให้ขุดหลุมฝังพระนางมาคันธียาและบริวารเพียงแค่คอแล้วให้ไถจนอวัยวะขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระนางมาคันธียาจบชีวิตลงด้วยเรื่องที่พระนางก่อขึ้นเองดูกรพระราดาการคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธ ย่อมเป็นเสมือนการถ่มน้ำลายรถฟ้าหรือการปาทุรีถั่วลมผู้กระทำย่อมได้รับโทษเองดูก่อนท่านผู้สแสวงหามากคาแห่งอมตะพระนนู์กล่าวต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมราญพระอิริยาบถยุนะโกสัมพีตามพระอตยาศิยพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกไปสู่คามลิกรมชนบท ร, ราชธานีน้อยใหญ่เพื่อโปรดเวนยสัตว์ผู้พอจะแนะนาได้ ให้ดำรงอยู่ในกุศลบทจนกระทั่งหวนกลับไปประทับณนกะรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแว้โนโกศลอันเป็นดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลัยความจริงพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนกะรุงสาวัตถีเป็นเวลาหลายปีที่สุดคือถึง25บพรรษาแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าประทับอยู่รวดเดียว25บพรรษาพระองค์เสด็จไปไปม า, มาแต่เมื่อคิดรวมแล้วได้25ปีพอดี คือประทับอยู่หน้าปุพารามของนาวิสาขาหกปีและประทับนวัดเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะ19ปีอันว่าพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศล น, นี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือแห่งแคว้นกาสีมีอนณาเขตไปจนถึงหิมาลัยบรรพดมีแคว้นส ก, กะอยู่ทางทิศเหนือโกริยะอยู่ทางทิศตะวันออกแคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้ เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคตโกศลมีเมืองสำคัญอยู่สามเมืองคือเมืองสาวัตถีเมืองอโยธยาซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้าสรายุเป็นเมืองสำคัญมาก่อนตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ต่อมาถูกรวมเข้ากับโกศลส่วนอีกเมืองหนึ่งคือเมืองสาเกตอยู่ใกล้กับอโยธยาจเจริญขึ้นเวลาเดียวกับที่อโยธยาเสื่อมลง ยึงคล้ายกับว่าเป็นเมืองแทนเมืองอายุทยาสาเกตมีความสาคัญสหลับโกศนมากเป็นเมืองทิบิดาแห่งวิสาขามาหาอุบาสิกาซึ่งข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังในภายหลังระหว่างสาวัตีถึงสาเกตมีรถด่วนเดินทางวันเดียวถึงรถด่วนที่ว่านี่คือรถเทียมมาตั้งสถานีไว้เจ็ดแห่งพอถึงสถานีหนึ่งก็เปลี่ยนมาครั้งหนึ่ง ม้าชุดหนึ่งวิ่งเป็นระยะทางกว่ากึ่งโยดเล็กน้อยแปลว่าต้องเปลี่ยนม้าถึงเจ็ดครั้งเรื่องนี้เองที่พระบุณนมันตานีบุตรอาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่อสนทนากับพระสารีบุตรถึงเรื่องวิสุธทธิเจอันจะนำบุคคลไปสู่พระนิพพานจึงเปรียบวิสุธทธิเจ็ดเหมือนรถเจ็ดพลัดจากสาวัตถีถึงสาเกตครั้งแรกที่พระตถาคตเจ้าเยยบพระมงคลบาทลงสู่สาวัตถีนั้น เป็นเพราะการอารัธนาของท่านอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีซึ่งเวลานั้นยังไม่ได้มีด้มิตรกนามอันไพเราะอย่างนี้เลยเรื่องเป็นดังนี้ สมัยหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่นานพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณศีตะวันใกล้กรุงราชฤกษ์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นอนาถปิณธิกาเศรษฐียังไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปกรุงราชฤกษ์เพื่อเยี่ยมเยือนสหายและเพื่อกิจการค้าด้วยเมื่อไปถึงเศรษฐีผู้สหายต้อนรับพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปสั่งงานคนทั้งหลายให้ทานั่นทานี้ จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอาคารตุกะอนาถปิณฑิกะประหลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพเจ้ามาท่านกระวีกระว่าต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปลาศัยเป็นที่บรนเทิงจิตตามฐานาบิดอันเป็นที่รักกันทนละงานอื่นๆไว้สิ้นเชิงมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่ว่ามาคราวนี้ทันละข้าพเจ้าและสั่งงานอยู่ท่านมีงานอาวาหักวิวาหามงคล หรือว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแครดมคตจะเสด็จมาเสวยที่บ้านของท่านในวันพรุ่งหรืออย่างไรสหายเศรษฐีกรุงราชเกลือตอบอภัยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะไม่สนใจยายดีในการมาของท่านก็หาไม่ได้ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจว่าข้าพเจ้านั้นมีความรักในท่านอย่างไรแต่ว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าอรัตนนาพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิสุโสง์จํานวนร้อยเพื่อเสวยและฉันอาหารที่นี่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมัวยุ่งสั่งงานอยู่สหายท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือโอ้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ใช่พระพุทธเจ้าพระโคตมาพุทธะออกบวชจากสากยเตระกูลมีข่าวแพร่สะบัดไปทุกคนทุกแห่งว่าพระองค์เป็นพระอรหรัน เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือมีความรู้ดีและมีความประพฤติดีเสด็จไปที่ไหนก็มวยโชคให้ที่นั่นเป็นผู้ที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้รู้จากโลกเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทรารู้จากอริยสัจ แ, แจ้งแจ้งและมีพระไทยเบิกบานด้วยพระมหากรุณาตมวลสัตว์ เป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะพร้อมทั้งบาปธรรม ท, ทั้งมวลแล้วเทเจาริกสั่งสอนเวนัยสัตว์แสดงทมอันไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเต็มบริบูรณ์ทั้งหัวข้อและความหมายสหายท่านไม่ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือดูกนพระดาคาว่าพุทโธนั้น เป็นคำที่ก่อความตื่นเต้นให้แกอนาถปินธิกะเศรษฐียิ่งนักอุปมาเหมือนคนที่เป็นโรคซึ่งทรมานมานานปีเมื่อทราบว่ามีหมอดีสามารถจะบำบัดโรคนั้นได้จะดีใจสักปานใดดังนั้นอนาถปินฑิกจึงกล่าวว่าสหายค่าอาหารสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและพิสุสงฆ์พวกนี้เป็นจำนวนเท่าใดข้าพเจ้าขอออกให้ทั้งหมดอย่าเลยสหายเศรษฐีกลุงละะราชกุลตอบ ย่าว่าแต่ท่านจะจ่ายค่าอาหารเลยแม้ท่านจะมอบสมบัติในกรุงราชจะเคลื่ทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หายอมให้ท่านเป็นเจ้าภาพสำหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าใหม่กว่าข้าพเจ้าจะจองได้ก็เป็นเวลานานเหลือเกินข้าพเจ้าคอยโอกาสนี้มานานนักหนาแล้วสมบัติบรมมาจักข้าพเจ้ายังปรารถนาน้อยกว่าการได้เลี้ยงพระพุทธเจ้าเจดวันนี้เป็นวันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาดเมื่อนาถปิณฑิกะวิงวอนว่า ขอออกค่าใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งเศรษฐีกรุงราชชฤท์ก็หายอ่อไม่ดูก่พระราดาพระบรมศ า, ศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมีปุเพกตัตปุญตาอย่างล้นเหลือกุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกระทามาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรมารวมกันให้ผลในปัจฉิมภพของพระองค์นี้ประดุดสายทานซึ่งยังเอ่ออยู่ในทานบและบังเอิญทนพพังลง อุตกะธาราก็หลายหลากท่มทนดังนั้นไม่ว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จไปหน้าที่ใดพระราชาเสนาบดีพ่อค้าประชาชนก็ต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์จนถึงกับต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลานานา น, านอนาถพินิกะเศรษฐีเป็นผู้อันกุศลธรรมแต่ปางบันตักเตือนแล้วเมื่อได้ยินคาว่าพุโทโธเท่านั้นปีติก็ทราบทราบไปทั่วสพางปราธนาเหลือเกิน ที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้นแต่บังเอิญเป็นเวลาค่ำประตูเมืองปิดแล้วจิตใจของเขาจึงกังวลถึงเรื่องที่จะเฝ้าพระศาสดาไม่อาจหลับลงได้อย่างปกติเขาลุกขึ้นถึงสามครั้งด้วยสำคัญว่าสว่างแล้วแต่พอเดินออกไปภายนอกเรือนวามืดยังปรากฏปกคลุมอยู่ทั่วไปคลานั้นความสะดุ้งหวาเสียวและความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขา เขากลับมานอนระพึงถึงพระาศาสดาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจในที่สุดเวลาก็มาถึงท้องฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันรับอรุณแววมาตามสายลมสถีเดินออกจากตัวเรือนมุ่งสู่ประตูเมืองประตูยังไม่เปิดอนาถพินติกะต้องขอร้องวิงวอนคนเฝ้าประตูเซนานเขาจึงยอมเปิดให้เมื่อออกจากประตูเมืองแล้วทางที่จะไปสู่ป่าศรีทวันก็เป็นทางเปลี่ยว การสัญจรยังไม่มีการเดินออกจากเมืองเข้าไปในป่านั้นเป็นการยากมากสําหรับโกลนขาดเศรษฐีกับจะหมดความพยายามมีหลายครั้งที่เขาจะถอยกลับเข้าสู่เมืองแต่พอเขาหยุดยืนนั่นเองก็มีเสียงปรากฏขึ้นเหมือนกับว่าหวาดแว่วมาจากอากาศว่าเศรษฐีม้าตั้งร้อยช้างตั้งร้อยโคแพะแกะเป็ดไก่อย่างละร้อยอย่างละร้อย ถ้าท่านได้เพราะถอยกลับเพียงก้าวเดียวก็จะไม่ประเสริฐเหมือนก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวจงก้าวไป เ, เถิดเศรษฐีการก้าวไปข้างหน้าของท่านจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและแก่โลกมากเศรษฐีมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าศรีตะวันอันเป็นที่ประทับแห่งพระาศาสดาเวลานั้นพระพุทธองค์ตื่นบรรทมแล้วทรงแผ่คายพระญาณพิจารณาดูสัตวโลกที่พระองค์ควรจะโปรด เห็นอุปนิสัยของอนาถปินธิกาเศรษฐีว่าเป็นผู้ติควรแก่การบรรลุธรรมจึงส่งจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาอยู่นะบริเวณที่ประทับว่าเศรษฐีเข้ามาใกล้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเข้ามาเถิดสุทัตตะตถาคตอยู่ที่นี่ ดูก่อนพระราชาพระนรพลัดตรัสเรียกเศรษฐีโดยชื่อว่าสุทัตต์โดยถูกต้องนั้นนำความปราโมทมาให้เศรษฐีอย่างล้นเหลือเขาไม่เคยรู้จักพระาศาสดาและพระาศาสดาก็ไม่เคยรู้จักเขาแต่พระองค์สามารถเรียกชื่อเขาได้อย่างถูกต้องเขาซบหน้าลงแทบบาดมูลแห่งพระตสาคตเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระสากยามุนี เป็นโชคดีของข้าพระพุทธเจ้ายิงแล้วที่ได้มาเฝ้าพระองค์สมปาหนาพระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้ราตรีช่างยาวเสียเหลือเกินปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งเดือนเป็นเวลานานเหลือเกินที่สัตว์โลกจะได้สดับคำว่าพุทธโธพุทธโธดูก่อนสุทตัตตาผู้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจุดเมื่อยล้าแล้ว รู้สึกว่าโยดหนึ่งเป็นหุ้นทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตรคือ ก, การเวียนเกิดเปลี่ยนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัธรรมยังยาวกว่านั้นดูก่นสุทัตตะสังสารวัตนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆนั้นทัศคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์ เพรสิ่งที่ติดตามความเกิดมาด้วยก็คือความชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความขลั่งครวนความทุกข์กายทุกใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่จากดินและนําดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคลซึ่งเทียมเกวียน จะเดินไปทางไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นําทุกประจําสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอะเกวียนคร อ, คอบคออยู่ล้เอเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวดูก่อนสุทธธัตตาเมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้ว มันก็สามารถขึ้นได้อีกฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหาหนุสัยขึ้นจากดวงจิตความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆสุทัตตะเออยน้ำตาของสัตว์ผู้ร้องให้เพราะความทุกโมนรสทัพถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารีมีจำนวนมากเหลือขนานาสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณท่านีน กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปัตตภีดนเล่าธนมากองรวมๆกันมิให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัตภีนี้เคลื่อนกลนไปด้วยกระดูกแห่งสัตว์ผู้ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดชิดยิ่งนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว เยียบย่าไปบนกองกระดูกเข้านอนบนกองกระดูกนั่งบนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิน้นดูก่อนสุทัตตาไม่ว่าพบไหนๆล้วนจะมีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้น ศาสนาอารยิยสัจแต่โดยย่อแก่ท่านสุทัตตาจนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระตนะไตรแล้วทรงย้ำในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนสุทัตตาการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการดํารงชีพอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากการได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษเป็นของยากและการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยาก ดูก่อนสุทตัตตาเพราะเหตุนั้นการแสดงธรรมของสัตวตบุรุษก็ตามการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามล้วนเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความสงบสู่โลกดูก่อนผู้สืบอริยวง์พระธรรมเทศนาของพระศาสดานั้นไพเราะจับใจและแจ่มแจ้งยิ่งนักเพราะเหตุนี้เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงจึงมักมีผู้ชมเชยว่าแจ่มแจ้งจริงพระเจ้าค่ะ แจ่มแจ้งจริงเหมือนทรงหายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีตาดีได้มองเห็นรูปดังนี้อนาถปิณฑิกาเศรษฐีหรืออีกในยนหนึ่งคือสุทธาตากาหาบดีซึ่งบัดนี้ได้เป็นโสดาบันแล้วด้วยการฟังพระธรรมเทศนาครั้งเดียวได้ทูลอรัตนนาพระาศาสดาเพื่อเสด็จสู่กรุงสาวัตถี ราชธานีแห่งโกศลรัตเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับแล้วเศรษฐีจึงมุ่งหน้ากลับสู่นครตนล่วงหน้าไปก่อนตามรายทางเศรษฐีให้คนสร้างที่พักไว้เป็นแห่งๆ แ, และเปาประกาศให้ประชาชนสร้างที่พักเพื่อพระสงฆ์สาวกตามเส้นทางที่พระาศาสดาจะเสด็จไปเมื่อถึงสาวถีแล้วอนาถปิณฑิกะก็มองหาสถานที่ที่จะสร้างอารามถวายพระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ เห็นที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นสวนของเจ้าชายในตระกูลผู้ทรงพระนามว่าเชตะได้ลักษณะควรเป็นอารามสําหรับพุทธนิวาสคือไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีทางเข้าออกได้สะดวกไปอกระทึกในเวลากลางวันและเงียบสงัดในเวลากลางคืนห่างจากหมู่บ้านเหมาะสําหรับเป็นที่สํารานพระอิริยาบถของพระตถาคตเจ้าและเป็นที่ตรึกตรองทอําอนลึกซึ้งสําหรับพระภิกษุสงฆ์ เข้าเฝ้าเจ้าชายเชตะขอซื้อสวนสร้างอารามในเบื้องแรกเจ้าชายทรงปฏิเสธแต่เมื่อเศรษฐีขอร้องวิงวอนหนักเข้าก็ทรงยอมแต่ทรงโกงราคาแพงเหลือหลายถึงกับว่าถ้าจะซื้อให้ได้จริงๆแล้วก็จะต้องให้ราคาเท่ากับเอาทองไปปูลงให้เต็มสวนนั้นทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงดํฤริว่าถ้าราคาแพงเกินไปเศรษฐีคงไม่ซื้อ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 เมื่อสร้างอารามเสร็จแล้วก็ถึงเวลาทาซุ้มประตูเสถีดมริว่าเจ้าชายเชตะมีคนเคารพนับถือมากในพระนครสาวัตถีนี้ถ้ามีชื่อเจ้าชายอยู่ด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากจึงให้ยกป้ายขึ้นชื่อว่าเชตะวันแต่คนทั้งหลายมักจะต่อท้ายว่าอารามของอนาถปินธิกาเศรษฐีด้วยประการัชนี อันว่าเชตวันนี้เป็นอารามที่สวยงามที่สุดและใหม่ที่สุดอนาถปินฑิกะให้สร้างวิหารห้องประชุมห้องเก็บของขุดสะใหยปลูกบัวขาวบัวขาบบัวหลวงบัวเขียวบานสะพ่างชูดอกสวายปลูกมะม่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมยังมีพันุไม้หลากหลายอีกเป็นทิวแถวที่ทําเป็นซุ้มเป็นพุ่มก็มีสะอาดสวยงามและรื่นรม ต้นไม้ส่วนมากมีผลอันจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสามเณรรวมความว่าเชตวันเป็นอารามที่น่าอยู่น่าอาศัยมีสปายะธรรมพร้อมทั้งสี่ประการคือเสนาสนะสปายะที่อยู่อาศัยสบายปุคละสปายะมีมิตรหายดีมีผู้เอาใจใส่พอสมควรอาหารสปายะมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์และธรรมะสปายะ มีทมเป็นที่สบายข้อนี้หมายความว่าทมที่จะปฏิบัติเพื่อบรุคุณชั้นสูงขึ้นไปเหมาะแกเจริตอธัธยาศัยและมีเรื่องราวต่างๆโน้มน้าวไปเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อพยายามมีให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีและเพื่อรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งๆขึ้นไป ดูก่อนอคันตุกะกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งประการที่สองคือปุคละส ป, ปายากนั้นท่านอนาถาปินธิกะนอกจากจะถวายอารามแล้วยังมำุงพิสุงสงด้วยปจยัจจัยอื่นๆื่นอีกเช่นจีวร อ, อาหารและยารักษาโรคท่านจะไปเฝ้าพระาศาสดาทั้งเช้าและเย็นเมื่อไปในตอนเช้าก็จะนำอาหารเป็นต้นว่ายาคูและพัดเมื่อไปในเวลาเย็นก็จะ น, นาน้าปานะชนิดต่างๆไป เป็นต้นว่าน้ำพึ่งและน้ำอ้อยท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลยด้วยละอายว่าภิกษุหนุ่มและสมัมมเนนจะดูมือเมื่อไปเฝ้าก็ไม่เคยทูลถามปัญหากับพระาศาสดาเลยพระทรงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเคยเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติและบัดนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าสุคุมารถ้าจะถามปัญหาพระองค์ก็จะทรงนบิตว่าเศรษฐีเป็นผู้มีอุปการะมากต่อเรา แล้วจะทรงแก้ปัญหาด้วยความตั้งพระไทยจะทำให้พระองค์ทรงลบาบากดูก่อนอาคันตุกตา พระศ า, าสดาทรงทราบอัธยาศัยอันนี้ของเศรษฐีจึงทรงดำริว่าเศรษฐีนี้เกรงใจเราในฐานะที่ไม่ควรเกรงใจกเราบำเพ็ญบา ร, รมีมาเป็นเวลายืดยาวนานเคยควักในตาตนเองเคยตัดทิะอันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎและเคยสละอวัยวะอื่นๆตลอดถึงชีวิตให้เป็นทานบารมีสิเราบำเพ็ญมาแล้วอย่างเข้มงวดและบริบูรณ์ กโดยจุดประสงค์ที่จะขนสัตว์ในสงสารสาครขึ้นสู่ที่อันกเกษมคือพระนิพพานทรงดำริชนนี้ก็แสดงธรรมแก่เศรษฐีพอสมควรทุกครั้งที่เขาเข้าเฝ้าดูก่อรพงพันแห่งอารยะนอกจากท่านอนาถปินฑิกะแล้วยังมีคนอื่นอื่นอีกมากที่เคารพเลื่อมใสในพระศาสดาและพิสุสง์ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา ช่วยบำรุงรักษาและการเผยแผ่คำสอนของพระตถาคตเจ้าเป็นต้นว่านางวิสาขามหาอุบาสิกานางสุปวาสานางสุ ป, ปิยาตลอดไปถึงพระราชาธิปดีประเสิทธิโกศลและพระนางมาริกาอัครราชเทวีข้าแต่ท่านผู้ทรงพลดันประเสริฐพระกรรมโพชากล่าวขึ้น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 ผู้สนใจติดตามได้จากเรื่องลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล จริยบทแห่งพระอานนุ์พระอนุชาร่วมพระไทยสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงประชนอยู่ตอนสายวันหนึ่งพระอาทิตย์โครจรขึ้นเกือบจะถึงกึ่งฟ้าทางด้านตะวันออกแล้วแต่ลมเช้ายังคงพัดมเบาๆความสดชื่นแผ่ปกคลุมไปทั่วเชตวันมหาวิหารความร่มรื่นแห่งอารามผสมด้วยความสงบระงับภายในแห่งสมณะผู้อาศัย ทำให้อนาถะปินธิการามปรากฏประหนึ่งโลกทิพย์ซึ่งมีแต่ความสงบเย็นเสียงภิกษุใหม่สาธยายพระพุทธพจน์ดังอยู่เป็นระยะระยะนอกจากนี้ยังมีบางท่านเดินจงกรมพิจารณาถึงหัวข้อกรรมฐานที่อาจารย์บอกให้เพื่อทำลายอาสวะซึ่งหมักห ม, มมอยู่ภายในจิตใจเป็นกิเลสานุสัยอันติดตา ม, มาเป็นเวลาช้านาน บางรูปซักและย้อมชีวรบางท่านกวาดลานพระวิหารและเตรียมอาคัรตุกะพันต่างชนิดเพื่อภิกษุต่างดินผู้จะเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอาการสงบเป็นเครื่องนำมาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ทัศนายิ่งนักเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อนันตชินได้เสด็จผ่านมาภิกษุผู้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้น ยืนถวายความเคารพผู้เดินอยู่ก็หยุดเดินภิกษุผู้กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็หยุดงานไว้ชั่วคราวเพื่อแสดงอาการคารวะและมองดูพระาศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใสลึกซึ้ง พระจอมบุญีทรงทักทายภิกษุบางรูปและทรงแนะนําข้อธรรมบางประการแล้วเสด็จเลยไปมาถึงกุฏิหลังหนึ่งพระพุทธองค์ประทับยืนนิ่งอยู่ผู่หนึ่งแล้วผินพระพักมาถามภิกษุผู้ติดตามว่าอานนท์ภิกษุรูปใดอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้ภิกษุชื่อติดสะพระเจ้าค่าเธออยู่หรือน่าจะอยู่พระเจ้าค่าพระาศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิ ภาพที่ปรากฏนเบื้องพระพักทำให้พระองค์สังเวชสุดประมาณภิกษุรูปหนึ่งในมัชฌิมาวัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อยร่างกายของท่านนั้นปลุกพุนไปได้รอยแผลมีน้ำเหลืองไหลยเยิมท่วมกายเตียงและผ้าของภิกษุรูปนั้นแปดเพื้อนด้ปูโพโลหิตทรงกลิ่นข่าวพลุงท่านนอนจมอยู่ในกองเลือดและหนองซึ่งแห้งกลางไปแล้วก็มี ที่กำลังหลายเยิ้มอยู่ก็มีเมื่อได้ยินเสียงภิกษุรูปนั้นก็ลืมตาขึ้นภาพพระศาสดาซึ่งประทับอยู่หน้าริมเตียงนั้นทำให้ท่านมีอาการตะลึงจะยกมือขึ้นถวายทำความเคารพแต่ก็ยกไม่ขึ้นท่านเหลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งของเตียงได้เห็นพระอ น, นุลพุทธอนุชายืนสงบนิ่งอยู่อาการเศร้าได้ฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาของพระอ น, นุผู้ประเสรศิฐ และแล้วมาเหลียวมาบพระเนรซึ่งศาสแววแห่งพระมหากรุณาออกมาของพระศาสดาอีกครั้งหนึ่งคลาทีนั้นความตื้นตันใจได้ท่วมหัดไทยของพุทธสาวกจนเอริรล้นออกมาทางดวงตาทั้งสองแล้วก็ค่อยไหลซึมลงอาบแก้มซึ่งแห้งและตอบเพราะอารุภาพแห่งโรคนั้น ดูกรติสกากอได้รับทุกขเวทนามากหรือมากเหลือเกินพระเจ้าข่าเหมือนนอนอยู่บนหนามเสียงซึ่งแหบเครือผ่านลำคอของพระติสากออกมาได้โดยยากเหลือเกินเธอไม่มีเพื่อนพรหมจรีหรือสหธรรมิกหรือสธิวิหาริกอันเตวาสิกคอยปฏิบัติช่วยเหลือจอู่บ้างเลยหรือเคยมีพระเจ้าข่า แต่เวลานี้เขาทอดทิ้งข่าพระองค์ไปหมดแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเขาเบื่อพระเจ้าข่าเพราะข่าพระองค์ป่วยมานานและรักษาไม่หายเขาเลยพากันทอดทิ้งข่าพระองค์ไปอาการเริ่มแรกเป็นอย่างไรนะติดสั์แรกทีเดียวเป็นตอมเล็กๆประมาณธรรมเลสประกาศพุดิขึ้นทั่วกายของข่าพระพุทธเจ้า แล้วค่อยๆโตขึ้นตามลำดับเท่ า, มาเมล็ดผัวเขียวเท่ามะตูมแล้วก็แตกน้ำเหลืองไหลสลีละทั้งสิ้นก็เป็นรูเล็กรูน้อยสบงจีวรเปลืะเปลื้อนเลือดไปหมดอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะทูลได้เท่านี้เพราะติดสะก็มีอาการหอบเล็กน้อยอ่อนเพลียไม่สามารถทูลต่อไปได้อีก พระศาสดาและพระอ น, นุนเสด็จออกจากกุตินั้นไปสู่โรงไฟพระศาสดาทรงล้างหม้อน้ำโดยพระองค์เองพระอ น, นุนติดไปเสร็จแล้ววางหม้อน้ําไว้บนเตาทรงรอคอยจนน้ําเดือดแล้วเสด็จไปหามเตียงภิกษุไข่พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอ น, นุนจับด้านหนึ่งหามมาสู่เรือนไฟภิกษุหลายรูปเดินมา เห็นพระศาสดาทรงกระทำเช่นั้นก็ช่วยเหลือ pues, กันคนละไม้ละมือทรงให้เปลื้องผ้าของพระติสระออกแล้วซักให้สะอาดอาบน้ําให้พระติสระด้วยน้ําอุ่นทรงชำระเรือนกายอันปลุกพลุนด้วยโพลงเองพระอนุนคอยช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดื่อร่างกายนั้นสะอาดพอสมควรแล้วและผ้าที่ซักไว้ก็พอนุ่งห่มได้เรียบร้อย คลั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารของปฏิสระค่อยกระปรี้กระเป่าขึ้นพอสมควรแล้วจึงประทานพระโอวาทว่าปฏิสะร่างกายนี้ไม่นานนักดอกคงจะต้องนอนทับถมแผ่นดินร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณคลองแล้วก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าอันเขาทิ้งเสียแล้วอย่างไม่ใหญ่ดีจงดูกายอันเน่าเปื่อยนีเถิด มันอาดูนไม่สะอาดมีสิ่งสกปรกไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปรารถนายิ่งนักของคนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้เมื่อพระศาสดาแสดงธรรมจบลงพระติสะได้สำเร็จอรหั ต, ตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและเนื่องจากอาการป่วยหนักมากท่านไม่สามารถจะทนต่อไปได้อีกจึงนิพพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสนิ พ, พาน พระศาสดาทรงให้กระทำชาปนกิจแล้วให้ก่อเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระาธาตุแห่งประติศาสตนั้น ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความที่ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นช่างเป็นความจริงสนิทกระไรบรรดาโรคทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถจะคัดค้านได้สัตว์ทั้งหลายอาจจะว่างเว้นจากโรค อ, อื่นๆ ห, หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างห้าปีบ้างสิปีบ้างก็พอมี แต่ว่าใครเราจะว่างเว้นจากโรคคือความหิวแม้เพียงวันเดียวโรคคือความหิวนี้จึงต้องบำบัดอยู่ตลอดเวลาตลอดอายุการที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นชนิดที่ว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลว น, นั้นส่วนใหญ่ก็เพื่อนำปัจจัยซึ่งสามารถบำบัดความหิวนี้เองมาปนเปลือยร่างกายอันพร่องอยู่เสมอนอกจากโรคประจาตัวคือโรคหิวแล้ว ยังมีโรคอื่นๆอีกมากมายคอยบีบคั้นเสียดแทงให้มนุษย์ต้องกระวนกระวายปวดร้าวทั้งทางร่างกายและจิตใจและจะมีเวลาใดเล่าที่มนุษย์จะต้องการเพื่อนผู้เห็นใจเสมอเหมือนเวลาป่วยหรืออภาษหนักในทํานองเดียวกันจะมีมิตรใ ด, ดเล่าจะเบื่อนายและลาคาญเพื่อนในยามทุกขเสมอโดยมิตรเทียมควรพอใจช่วยเหลือกันตามฐานะและโอกาส น่าจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนอกเสียจากว่าเขาผู้นั้นจะเป็นมนุษย์แต่เพียงกายและได้รับการศึกษาเพียงครึ่งๆกลางๆเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจชาสมณะสเสดไปตามเสนาสนะต่างๆทอดพระเนตรเห็นภิกษุอาพาธหนักรูปหนึ่งนอนจมกองอุจจาระภปสาวะของตนเองอยู่ภิกษุรูปนั้นป่วยเป็นโรคท้องร่วง ไม่มีใครพยาบาลเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อคราวที่ท่านปกติดีอยู่นั้นท่านไม่เคยอุปการะใครพระพุทธองค์อันพระมหากรุณาเตือนแล้วได้ให้พระอ น, นุนไปนำน้ำมาพระองค์ราชรดลงพระอ น, นุนขัดสีพระองค์ทรงยกศรีศรษะพระอนุนยกเท้าแล้ววางลงบนเปลียงนอนให้ฉันกีฬาณเพศสัตว์เท่าที่พอจะหาได้เย็นวันนั้นเองทรงให้ประชุมสง ปลาลบข้อที่ภิกษุอาพาธไม่มีผู้พยาบาลได้รับความลําบากแล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอบัดนี้ไม่มีมารดาไม่มีบิดาถ้าพวกเธอไม่รักษาพยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาลภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบํารุงเราขอให้ผู้นั้นปฏิบัติบํารุงภิกษุอาพาธเถิดเท่ากับได้ปฏิบัติบํารุงเรา ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาพาธลงภิกษุผู้เป็นสิทธ์พึงรักษาพยาบาลจนกว่าเธอจะหายถ้าสิทธ์อาพาธลงอุปชัยยะอาจารย์พึงทำเช่นเดียวกันภิกษุใดไม่ทำภิกษุนั้นย่อมเป็นอาบัติคือฝ่าฝืนระเบียบของเราถ้าอุปชัยยะอาจารย์ไม่มีให้ภิกษุผู้ร่วมอุปชัยยะอาจารย์เดียวกันปฏิบัติถ้าไม่ทำย่อมเป็นอาบัติอนนึ่ง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 มีธรรมวินัยเป็นมารดามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีมีพระราดอนภาพแพ้่ปกคลุมอยู่ทั่วร่มเงาแห่งกาสาวพัทนอกจากจะมีต่อเพื่อนพรมจารีแล้วพระราดอนภาพซึ่งอาเอรบอยู่ในจิตใจของพระภิกษุทั้งหลายนั้นยังได้แพ้่ไปถึงสามัญชนทั่วไปและตลอดกระทั่งสัตว์เดรัจฉานอีกด้วย สมณะเป็นแพทย์สูงและมีน้ำใจน่ารักน่าเคารพยิ่งนักท่านพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นแต่ดูเหมือนว่าสามัญชนไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าเลยความเผื่อแผ่และความเมตตาซึ่งได้สั่งสมอบรมมานั้นมีอยู่ในตัวและบางท่านท่านจะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ตลอดชีวิตจำเป็นที่จะต้องศึกออกมาดำรงชีพเยี่ยงเครหัดทั้งหลายความเผื่อแผ่และความเมตตา วันใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นก็หาได้คลายลงไม่มีความรู้สึกเสมือนว่ามนุษย์ทั้งโลกเป็นญาติของตนจึงคอยหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามฐานะและจังหวะที่มาถึงเข้าจนบางครั้งทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดไปในทางร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีใจแคบมองเห็นการกระทำดีของผู้อื่นด้วยสายตาที่เปไววางใจคิดว่า เขาคงจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ดูเบื้องหลังคนที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไม่มีอยู่ในโลกนี้บ้างเียหรือกระไรเราจะใจแคบจนไม่พยายามมองเจตนาดีของผู้อื่นบ้างเลยอีกครั้งหนึ่งพระภักกุณาอาพาธหนักพระอนต์ได้ทราบจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเพื่อไปเยี่ยมไข่พระองค์เสด็จไปเยี่ยม รัสถามถึงอาการป่วยพระพักุณะทูลว่าอาการป่วยหนักมากมีทุกขเวทนากล้าแข็งลมเสียดแทงศรีรษะเหมือนถูกเฉือนด้วยมีดโกนอันคมปลิบปวดท้องเหมือนบุรุษฆ่าโคอมีดชหละโคที่คมมาชหละที่ท้องเจ็บปวดเร่าร้อนทั่วกายเหมือนถูกย่างบนหลุมถ่านเพลิงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม พา น, านาความทุกข์แห่งสังขารอันมีผลสืบเนื่องมาจากกิเลสและกรรมของตนจนพระพักกุณะได้สำเร็จเป็นโสดาบัน คิริมานันทะอาพาธนักพระอา น, นุนทราบเรื่องนี้แล้วทูลรัตนาให้พระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเนื่องจากพระพุทธองค์ยังทรงมีภารกิจบางอย่างอยู่จึงเสด็จไปไม่ได้แต่ทรงให้พระอา น, นุ์เปียนสัญญาสิบประการแล้วไปสาธยายให้พระคิริมานันทะฟังพระอานนุ์ครั้นเรียนสัญญาสิบประการอย่างแม่นยําแล้วก็ไปสู่สํานักของพระคิริมานันทะ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 คือสิ่งโสโครกต่างๆขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากช่องหูผัวสะพางมีรูเล็กๆเป็นที่หลังไหลออกแห่งสิ่งโสโคร ก, กอันหมักห ม, มมอยู่ภายในพระศาสดาจึงเปรียบรูปกายนี้เหมือนจอบปลวกบ้างเหมือนหม้อ ด, ดินบ้างเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างและเฉยๆบ้าง สัญญาคือความทรงจำได้ซึ่งรูปเสียงเป็นรสและโพธภารมคือสิ่งซึ่งถูกต้องได้ด้วยกายสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆบ้างวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์อันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันห้าล้วนมีสภาพเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ ไม่เที่ยงเพราะแปรปวนอยู่เสมอเป็นอนัตตาเพราะฝืนไม่ได้ไม่เป็นไปตามปรารถนาว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทั้งหมดที่กล่าวมานี้พระผู้มีพระภาครวมเรียกว่าอนิจจสัญญาและอนัตตสัญญาเพื่อให้สัญญาทั้งสองประการได้การอุปถัมภ์พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาอสุภาษณ์ ญ, ญา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 หนองเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำไข่ข้อน้ำมูดอาการหรือสิ่งดังกล่าวมานี้ย่อมให้ทุกข์ให้โทษเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อเกิดแห่งโรคนานาชนิดเช่นโรคตาโรคหูโรคในจมูกโรคลำไส้โรคไตโรคปอดโรคม้ามโรคตับโรคเกี่ยวกับอุจจาระปัสสาวะ การพิจารณาเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรังของโรคนั่นแลเรียกว่าอาทธีนวะสัญญา